พิกษุทั้งหลายมหาจนห้าจำพวกนี้ปรากฏอยู่ในโลกห้าจำพวกเป็นอย่างไรคือมหาโจนบางคนในโลกนี้ย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่น้อเราจะเป็นผู้อันบุรุษร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้ว ท่องเที่ยวไปในกามนิคมและราชธานีเบียดเบียนเองบ้างให้ผู้อื่นเบียดเบียนบ้างตัดเองบ้างเผาผลาญเองบ้างให้ผู้อื่นเผาผลาญบ้างสมัยต่อมาเขาก็เป็นผู้อันบรุทร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวไปในการมนิคมและราชธานี เบียดเบียนเองให้ผู้อื่นเบียดเบียนตัดเองให้ผู้อื่นตัดเผาผลาญเองให้ผู้อื่นเผาผลาญข้อนี้ฉันใดภิกษุ้อต้งหลายภิกษุผู้เลวทรามบางรูปในธรรมะไว้ไหนนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมปรารถนาอย่างนี้ว่าเมื่อไหร่หนอเราจึงจะเป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่ง หรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในคามนิคมและราชธานีอันคุฤหัตและบรรพชิตสักการะกรรบนับถือบูชายำเกรงได้จีบอลบินทบาทเสนาสนะและขี้ลานะปัจจัยเภสัตบริการหนังนี้สมัยต่อมา เธอก็เป็นผู้อันภิกษุร้อยหนึ่งหรือพันหนึ่งแวดล้อมแล้วเที่ยวจาริกไปในกามนิคมและราชธานีอันเกเลือดและบรรบชิตสาการะเคารพน้ำถือบูชายำเกรงแล้วได้จีบอลบินนาบาดเสนาสนะและขี้ลานะปัจจัยเภสัชบริการทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลายนี่แหละเป็นมหาโจรจมพวกที่หนึ่งมีปรากฏอยู่ในโลกอีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวซามบางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้เล่าเรียนธรรมวินัยอันตถาคตประกาศแล้วย่อมยกตนขึ้นนี้เป็นมหาโจรจำพวกที่สองมีปรากฏอยู่ในโลก อีกข้อหนึ่งคือภิกษุผู้เลวสามบางรูปในธรรมะว้ไหนนี้ย่อมตามกาจัดเพื่อนผู้ประพฤติปรมาจั์ผู้หมดจดผู้ประพฤติปรมาจั์อันบริสุทธิ์กาจัดเธอด้วยธรรมอันเป็น้าศึกแก่ปรมาจั์อันไม่มีมูลความจริงนี้เป็นมหาโจรจนจพวกที่สามมีปรากฏอยู่ในโลก อีกข้อหนึ่งภิกษุผู้เลวซรามบางรูปในธรรมะวันัยนี้ย่อมสงเคราะห์คือเกลียกล่อมกระเราทั้งหลายด้วยขรุพันธ์ขรุบริการของสงคืออารามพื้นที่อารามวิหารพื้นที่วิหารเตียงต่างฟูกหมอนม่อโลหะอ่างโลหะกระถางโลหะ กระทะโลหะมีดขวานพึงจอบสว่านเทาวันไม้ไผ่หญ้ามุงกระต่ายยาปล้องยาสามันดินเหนียวเครื่องไม้หรือเครื่องดินนี้เป็นมหาโจรจนพวกที่สี่มีปรากฏอยู่ในโลกพิกษิตร้งหลายภิกษุผู้กล่าวอวดอุตริมนุสธรรม อันไม่มีอยู่อันไม่เป็นอยู่จริงนี้เป็นยอดแห่งมหาโจรในโลกนี้พร้อมทั้งเทวโลกมรโลกปรมาโล ก, โลกในมูสัต์พร้อมทั้งสมณพรามพร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ข้อนั้นพระเหตุไรเพราะภิกษุนั้นฉันก้อนข้าวของชาวแว่นแกว้นด้วยอาการแห่งคนขโมย ได้ตรัสคำที่เป็นคาถาสื่อไปว่าภิกษุใดประกาศตนอันมีอยู่โดยประการอื่นโดยอาการอย่างอื่นโพชนะอันภิกษุนั้นฉันแล้วด้วยอาการแห่งขโมยดุดพรานนกลวงจับนกฉะ น, นั้นภิกษุผู้เลวทามเป็นนั้นมาก มีผ้ากาสายพันคอมีธรรมะอันสามไม่สำรวมแล้วภิกษุผู้เลวสามเหล่านั้นย่อมเข้าถึงซึ่งนรกเพราะกรรมทั้งหลายที่เลวสามภิกษุผู้ทุศีลผู้ไม่สำรวมแล้วบริโภคก้อนเหล็กแดงด่งเปเลวไฟยังประเสริฐกว่า การฉันก้อนข้าวของชาวเมืองจะประเสริฐอะไรและนี่คื อ, อ ร, รมมายการธรรมะข้าพเจ้าพระมหาภัยบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกนั่งพูดอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีทรงเสียงตามสายกระจายไปตามเครือข่ายมาให้ท่านผู้ฟัง ได้ฟังกันถ้าสมมุติว่าทตาบูฟังสมมุติว่ามีโจรมาขึ้นบ้านของเราสมมติบ้านของตาบูฟังเนียนะอยู่ๆก็มีโจรเข้ามาในบ้านเราก็จะเป็นเจ้าของบ้านแต่เราที่เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยพอเห็นว่าอ๊นี่มันโจร น, นี่นาะเราก็ต้องรีบกําจัดโจร น, นี้ออกไปโดยการที่ขับไล่ไป หรือว่าแจ้งตำรวจหรือว่านี่ไปก่อนแล้วก็ค่อยมาตามจับมันอีกที่หนึง่งก็จะมีเทคนิคอยู่หลายอย่างแต่โจรเนี่ยบางทีก็มาในลักษณะที่เรารู้ว่าผู้นี้เป็นโจรหรือมาในลักษณะที่บางทีก็เนียนๆปลอมตัวมาเราไม่รู้ว่ามันเป็นโจรหรือบางทีเราอยู่ในห้องนอนมันมาขึ้นบ้านขโมยของในส่วนเิๆของบ้านอย่างนี้เป็นต้น หรือบางทีเราหลับอยู่เราไม่รู้ว่าโจรมาหรือบางทีโจรมันปลอมตัวมาเนียนเนียนให้บางทีเราไม่รู้ได้ไม่ได้หมายถึงตรงนี้ทับบุฟังถ้าสมมติว่ามีโจรมาขึ้นบ้านของเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ที่แน่ๆทับบุฟังเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็คงจะไม่เอาทรัพย์สินสมบัติให้โจรไว้แน่นอนและคือเขาจะไม่ได้หาทรัพย์สมบัติเอาไว้เพื่อให้โจรมาขโมย หรือถ้าโจรมากระโมยเราก็จะไม่ได้เอาทรัพย์สมบัติยื่นให้มันเลยจะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าโจรมาเราต้องรีบกำจัดโจรนั้นออกไปในศาสนาของเราทุกฝังที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้สอนไวน้เนี่มีขุมสมบัติอยู่ขุมสมบัติในที่นี้คือคำสอนนั่นเอนงคือเราธรรมะหมวดต่างๆไล่มาตั้งแต่สติติฐานสสมปัตฐานส อริยสัจสีไปจนถึงมรรคแปดเนี่ยอันนี้เป็นขุมสมบัติของพระพุทธเจ้าที่ท่านมอบไว้เป็นมรดกให้เราสืบต่อกันมาอันนี้เราจึงจะต้องช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้มันสูญหายไปแต่ก็จะมีโจรมาขโมยทำฟังโจรที่จะมาขโมยทำคำสอนเหล่านี้ให้เสื่อมหายไปหน้าที่ของเราจึงจะต้องมาช่วยกันป้องกันโจรเหล่านี้ ไม่ให้มันโกยหรือทําลายคำสอนที่เป็นมรดกที่พระพุทธเจ้ามอบเอาไว้ให้ได้คือไม่ใช่ว่าเกิดโจรขึ้นเราก็ยิ่งหยิบยื่นทรัพย์สินให้มันให้มันทําลายให้มันเอาไปให้มันเผาแผลนให้มันเบียดเบียนให้มันตัดได้นะเราไม่ควรที่จะเอาทรัพย์สินที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้ามอบไว้ให้เป็นมรดกของเราเนี่ยหยิบยื่นให้มันอย่างนั้น ควรจะงรู้จักการรักษาประเด็นคือตรงนี้ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเกิดโจรขึ้นแล้วโจรมันเข้ามาในบ้านของเราแล้วถ้าบ้านของท่านผู้ฟังเนี่ยเป็นบ้านที่แบบไม่มีเครื่องป้องกันก็คือแน่นอนว่าถ้าในสังคมมันไม่มีโจรคุณก็ไม่ต้องป้องกันอะไรเดีมันจบไปทุกคนมีธรร ม, มะหมดก็ดีแต่ถ้ามันมีโจรอยู่แตนะ่มีโจรอยู่คนที่เขาจะปกป้องบ้านตัวเองก็จะติด มุงลวดบ้างจริงๆมุงลวดมันไม่ได้ช่วยกันอะไรท่านผู้ฟังเขอาจจะติดเหล็กดาดบ้างหรือว่าที่เสาเขาอาจจะติดลวดน้ำหรือข้อจะเลี้ยงหมานี่คือวิธีในสมัยก่อนสมัยปัจจุบันก็จะติดกล้องวงจรปิดหรือระบบกันขโมยมีเซ็นเซอร์ตรงนั้นตรง น, น, รงนี้มีระบบอัตโนมัติมีเสียงวิวววอเพื่อที่จะป้องกันบ้านเรือนหรือทรัพย์สินของเราเนี่ยจากอันตรายคือโจรที่จะเกิดขึ้น หรือสมัยใหม่เนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ยิ่งลึกลับซับซออ้อนไปกว่านั้ น, นคือตั้งกล้องไว้เฉยพอคนเดินผ่านมาบริเวณนี้ปุ๊บมันไปเรียกอีกคนหนึ่งเรียกตำรวจหรือว่าปลุกเราขึ้นมาอันนี้เป็นระบบที่เตือนภัยบ่งบอกแล้วว่ามีโจรเข้ามาแล้วนะในบ้านของเรานะมีการทุบเบรคเอาท์หรือว่าเจาะช่องเข้ามาตรงนี้ก็มีเซนเซอร์ตัวที่จะวัดเอาไว้เพื่อบ่งบอกว่าโจรเนี่ยมาแล้ว พระพุทธเจ้าก็ได้วางเครื่องป้องกันตรงนี้เอาไว้เหมือนกันนรรมบฟังเป็นเครื่องที่จะบ่งบอกว่าเอ๊ะในศาสนาเนี่ยมีโจรเกิดขึ้นแล้วหรื อ, อยังพระสูตรที่นำมาให้ธรรมบุญฟังฟังในวันนี้นั่นคือเรื่องของมหาโจรห้าประเภทอันนี้มาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นพระวินัยอยู่ในเล่มที่หนึ่งข้อที่สองสอันนี้คือพระสูตรหลักในที่พูดถึงมหาโจร ห่าประเภทมาหาชนห้าประเภทนี้เราจะรู้ดูได้อย่างไรว่าเกิดขึ้นในคำสอนนี้แล้วบริเวณนี้มีโจรแล้วแนะดูได้5้าอย่างนี้พระบริชจาตรัสไว้แนละในข้อแรกคือว่าจะเป็นโจรได้เนี่ยนะมันอยู่ที่จิตใจก่อนละคือถ้าโจร ท, ทั่วไปเนี่ยมือเขายังไม่ขโมยก็จริงแต่ถ้าจิตใจเขาเพ่งเล็งไว้ละว่าจะทานะ ปีจารก็เพ่งเล็งมาแนละ้เขาเริ่มเป็นโจรตั้งแต่ตอนนั้นนั่นะคืออย่างคนที่คน ท, ทั่วไปเนี่ยถ้ามีเจตนาในการที่จะถือเอาทรัพย์อันโจของไม่ได้ให้แต่ว่ายังไม่ได้ทํานะแค่มีเจตนาเฉยเฉยเนี่ยก็เริ่มผิดศีลแล้วนะเริ่มผิดศีลละมืออาจจะยังไม่ได้โฉกยังไม่ได้ชิงยังไม่ได้โกงเนี่ยแต่ว่าแค่คิดว่าจะทํานำะนี้ก็คือเริ่มเป็นโจรลนะนี่คือลักษณะนี้เหมือนกันนะบางคลที่มีอยู่มาในธรรมะวัไหนนี้ แล้วถ้าเผื่อว่ามีความคิดใะมีความคิดว่าเออฉันบวชมาในธรรมะวันไห น, นี้แล้วเนี่ยแม่จะได้มีบริวารมีลาบสากา ร, ประปัจจัยสี่อย่างมากถ้ามีความคิดแค่นี้ว่าบวชมาเพื่อที่จะมีลาบปัจจัยสี่และบริวารอันนี้คือมีจิตของคนที่เป็นมหาโจร น, นนี้ประเภทที่หนึ่งโจร น, นี้มีอยู่ห้าประเภทเอาล้วบวชมา ไม่ได้หวังปัจใจสีหรือบริวาละบวชมาเพื่ออะไรอ น, น, นี้คือมีอยู่ในคำบวชอยู่แล้วแต่ตอนที่ข้ า, าพเจ้าบวชเนี่ยก็มีการกล่าวคำที่ว่าเออบวชมาแล้วเพื่อที่จะทำนิพพานให้แจ้งอันนี้มีคำกล่าวตรงนี้อยู่บวชมาก็เพื่อที่จะหวังเพื่อที่จะรู้อริยสัจสี่เพื่อที่จะทำความที่สุดแห่งทุกข์ให้มันได้ท่าอุปชาก็จะบอกถึงผมคนเล็บฟันหนังกรรมาฐานหาว่าให้พิจารณาตรงนี้ บวชมาเนี่ยเพื่อที่จะทําความเพียรให้รู้ถึงอริยสัจสี่พทุกข์ไม่ใช่เพื่อหวังจะได้ปัจจัยสี่และบริวารถ้ามีความคิดความปรารถนาหวังอยู่อย่างนี้ชื่อว่าเป็นมหาโจทย์ล่ะประเภทแรกละ่ะหรือประเภทที่สองประเภทที่สองนี่ก็คือมาเล่าเรียนธรรมะละมีการเล่าเรียนธรรมะแล้วนะการเล่าเรียนธรรมะนี่เปรียบเหมือนเป็นงูพิษละพอเล่าเรียนธรรมะแล้วก็ยกตน ยกตนในที่นี้มีอยู่สองสามนัยยะด้วยกันคือยกตนว่าอนี่เป็นธรรมะของฉันทั้งๆที่ว่าเป็นของพระพุทธเจ้ายกตนว่านี้ฉันคิดเองนะฉันรู้เองนะอันนี้ข้อที่หนึ่งหรือนัยยะที่สองยกตนข่มคุณอื่นนะว่าฉันรู้นะเธอไม่รู้ฉันเก่งกว่านะเธอเก่งไม่เท่านี่คือยกตนในข้อที่สองหรือยกตนในข้อที่สามก็คือลบหลู่คุณคนอื่นแคุณอื่นก็ทําดี มันไม่ดีเท่าฉันหรอกฉันดีกว่านั่นคือลบปลูกคุณของคนอื่นเพราะตัวเองรู้เล่าเรียนธรรมะละอันนี้ก็เปรียบเหมือนกับว่าคุณจะไปจับงูพิษแต่ว่าจับไม่ถูกนั้นถูกงูกัดแทนที่จะได้ประโยชน์จากพิษของงูนั้นกลับเป็นอันตรายได้รับโทษมาแทนอันนี้คือเล่าเรียนธรรม ะ, ละแล้วก็ยกตนอันนี้คือในข้อที่สองฉัเป็นมหาโจรเหมือนกัน คือทั้งในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยไม่ใช่สําหรับพระภิกษุอย่างเดียวท่านั้นนะทั้งหมดนะอาจจะหมายถึงคารวะ ด, ด้วยก็ได้แต่เพราะว่าการที่จะหวังได้ปจัจจัย4หรือว่าบริวารเนี่ยอันนี้ไม่เกิดกับคารวะก็ได้เหมือนกันแต่คือบุงทีมาวัดหนะวังจะมาสแสวงหาดาวไล่เพื่อที่จะทําธุริจของชั้นให้มันดีขึ้นรุ่งเรืองขึ้นเอามาวัดนี่ไม่ใช่ว่า จะมาฟังทำหลอกหรอไม่ใช่ว่าจะมาหารู้เรื่องอริยสัจสหรือว่าทําที่สุดแห่งทุกหลอกหรอแต่ว่ามาหาคนที่จะพยายาธุรกิจอันนี้ก็หาบริวารละหรือว่ามาหาลาบปัจจัย4จะทําธุรกิจของใช้ให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นโจรมาวัดละในรูปของคารว่าดหรือคารว่าดก็เล่าเรียนธรรมมาได้ยกตนได้เหมือนกันอันนี้คือในข้อที่สอง จะเกิดขึ้นกับพระทสงฆ์ก็ได้เกิดขึ้นกับขรบไหก็ได้ภายในข้อที่2เนี่ยเราต้องระวังให้ดีเราจำบ้างถ้าเราเล่าเรียนธรรมะอ่านพระสูตรนั้นพระสูตรนี้แล้วเรารู้สึกว่าหืมฉันนี่เก่งกว่าคนอื่นอันนี้เริ่มผิดละหรือว่าคนอื่นเก่งไม่เท่าฉันละอันนี้เริ่มแปลงคราบจากคนเป็นโจรแล้วอันนี้คือในข้อที่สองในข้อที่3อันนี้คือตามกําจัดคนที่เขาดีๆคนอื่น นพิสูจนหนึ่งที่เขาประพฤติพรหมจรรย์บริสุทธิ์หมดจดด้วยดีก็ไปตามคำจัดเขานะไปโจทย์เขาด้วยอาบัตที่หนักนะถ้าเป็นของพระก็โจทย์ด้วยอาบัติปาราชิกพระบรุทเจ้าใชัยธรรมทําอันเป็นค่าสึกแก่พรหมจรรย์คนะ่าสึกแก่พรหมจรรย์เนี่ยก็คือศีลปา ร, ราชิกทั้งสีข้อเลยถ้าเป็นครวาสก็จะเป็นศีลที่เป็นศีลแปดด้วยข้อใดข้อหนึ่ง ไปตามโจทย์เขาแล้วก็ไม่จริงเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไม่มีมูลความจริงแล้วคนนั้นเนี่ยเขาก็ประพฤติธรรมบริสุทธิ์หมดจดแต่ถ้าไปตามกําจัดผู้อื่นโจทย์ผู้อื่นด้วยธรรมที่หนักแล้วก็ไม่มีมูลอันนี้ชื่อว่าเป็นมหาโจรแต่ถ้าเป็นในทางของพระภิกษุเนี่ยก็ถือว่าจะฆ่ากันเลยละ่ะเอาคนนี้ให้ตายคือหลุดจากความเป็นพระให้ได้ด้วยอาบัติปาราชิก ค, คือหลุดจากความเป็นพระทั้งๆที่มันไม่มีมูล แ ต, แต่ถ้ามีมูลอันนี้ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะถ้ามีมูลแล้วคนนั้นเขาทําไม่ดีทําไม่ดีจริงๆอะ่ะแล้วมีมูลอันนี้ต้องช่วยกันตามกําจัดออกไปแต่ถ้าไม่จริงแล้วไม่มีมูลแล้วคุณไปตามโจทย์เขาตามกําจัดเขาอันนี้ถือว่าตัวผู้โจทย์เองเนี่ยเป็นมหาโจรแต่ในทางตรงข้ามนะถ้าผู้นั้นเขาไม่ดีจริงๆเป็นคนประพฤติพระมาจันแบบแปดเปื้อน แล้วก็มีมูลความจริงในการกระทําไม่ดีแล้วก็ยังแฝงตัวอยู่เนี่ยอันนี้คือพวกโจรละมีโจรอยู่ละถ้ามีโจรอยู่แล้วไม่กําจัดออกไปโจรก็จะปล้นศาสนาอยู่เลยแล้วก็ต้องกําจัดโจร น, นี้ออกไปอันนี้คือในข้อที่ 3. สามตันในข้อที่4นั่นก็คือมีการสงเคราะห์เกลียดกล่อมเครือขทั้งหลายด้วยคุรุพันธ์ของสงแต่คุรุพันธ์นี้นนนก็คือแบบข้าวของที่มันหนักนนเช่นของที่มัน ยกไปไม่ไดนะ้หรือของที่มันเป็นของตั้งอยู่กับที่หรือจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆอย่างใดก็ได้ที่ถ้าเป็นของสงคําว่าของสงนี่คือของหมู่ของหมู่นี่ก็พูด ง, ง่ายๆสำหรับบ้านเราก็คือของวัดนั่นเองแล้วเอาไปใช้ในกิจการงานส่วนตัวนะสงเคราะห์เกลียดกล่อมเครือดทั้งหลายอันนี้จะเกิดขึ้นกับพระสงฆ์ก็ได้ประสงค์ไปสั่งการงานอย่างนั้นก็ได้หรือว่าคนวัดอยู่วัดแล้วเป็นเครือดนี่แหละอยู่วัดแต่ว่าก็เอา ของผู้นี้ไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้บอกหมู่ไม่ได้บอกสงแต่แต่ถ้ามีการแจ้งกันให้ทราบเรียบร้อยมีผู้รับรู้ผู้อนุญาตอันนี้ก็ไม่มีปัญหาอันนี้คือในข้อที่สส่วนในข้อที่ห้ า, า, า, หาที่เฟังมาจนคอทยาซึ่งเป็นอันตรายที่ร้ายแรงที่สุดนั่นก็คือผู้ที่กล่าวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนไม่มีในตนนะแล้วก็อวดขึ้นมา คือไม่มีเนี่ยมันแสดงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมที่เรพูดถึงเรื่องเหาะเหินเดินอากาศอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีเนี่ยมันแสดงไม่ได้อยู่ละก็ได้แต่พูดอวดเฉยแต่ถ้าพูดอวดแล้วมีอันนี้ไม่มีปัญหาจะไม่ได้เข้าข่ายความเป็นมหาโจรถ้าสําหรับภิกษุก็จะมีอาบัตินิดหน่อยมีอาบัตตอยู่แต่นิดหน่อยแต่ถ้าบอกว่าไม่มีคือไม่มีคุณธรรมข้อนี้หาะเหินเดินอากาศไม่ได้หรอกแต่ว่าพูดไปเท่านั้นเองว่าฉันทําได้ อันนี้ก็คืออวดที่ไม่มีถ้ามีแล้วอวดอันนี้นิดหน่อยมีความผิดอยู่แต่นิดหน่อยแต่ถ้าไม่มีแล้วอวดอันนี้หนักถ้าพูดถึงความเป็นพระนี่ก็ขาดจากความเป็นพระเลยเปรียบเทียบด้วยมหาโชนชั้นเลิศเป็นผู้ที่เหมือนกับพรานลวงจับนกได้อาสิงใดๆมาเนี่ยก็เปรียบเหมือนกับด้วยเปรียบเหมือนกับได้มาด้วยอาการแห่งการขโมย ในมหาโชนห้าประเภทนี้ทตามบูฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยตัมหนิในประเภทที่ห้ามากที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าหนึ่งสองสามสี่มีแล้วมันจะดีนะก็ไม่ได้เหมือนกันแลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดมากเลยตัมบูฟังในมหาโชนห้าประเภทเนี่ยมันอาจจะเป็นกันได้ง่ายๆเลยนะตัมบูฟังโดเยเฉพาะยิ่งในข้อที่สองอย่างเงี้ยว่าเราเล่าเรียนธรรมะแล้วกลับยกตนขึ้นมาเงี้ยคิดว่าคอยเพ่งโทษคนอื่นแต่เขาไม่ดีฉันดีอ้าวอันนี้ก็กลายเป็น มหาโจรประเภทที่สองละแล้วก็เป็นเรื่องที่ละเอียดมากๆด้วยแต่ในข้อสามเนี่ยไปตามกําจัดผู้อื่นด้วยอาบัตหนักคืออาบัตที่เป็นค่าสเก็ตพรหมจันทร์ถ้าเป็นพระก็อาบัตปาราชิกเนี่ยด้วยการที่ไม่มีมูลอันนี้ถ้าไปทําตัวเองก็กลายเป็นมหาโจรเองแต่ถ้าไม่ทําคนนั้นเขาเป็นโจรอยู่เราไม่กําจัดออกไปมันก็ไม่ได้อีกนต่มันก็จึงเป็นเรื่องที่ต้องมีการพิจารณาให้รอบขรอบใละเอียดถี่ถ้วนทุวนที ทีนี้ในมหาโจรหประเภทที่นําพระสูตรมาอ่านเนี่ยธรรมฟังฟังในทีน่นี้มาในพระวิไนปิดกจะมีเรื่องของมหาโจรอีกหประเภททรรมบูฟังอันนี้ที่มาในอังกุตระนิกายหมวดหข้อตอนนี้เปรียบเทียบกับโจรที่ว่าสามารถทําชั่วได้แน่แต่คือเป็นโจรเนี่ยมันด้วยจิตที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมว่าฉันมีเจตนาจะลักจะฆ่าจะตัดจะทําลายแต่ว่ายังไม่ได้ทํานะ ทีนี้ถ้าจะไปทําได้นี่นี่ตอนนี้เป็นจุดที่พระบรุตรเจ้าตรัสไปอีกที่หนึ่งนะ ว, ว่าโจรเนี่มันจะทําชั่วได้แน่คือเป็นโจรอยู่แล้วนะแต่ยังไม่ได้ทําชั่วหรอกถ้ายังไม่ได้5อย่างนี้แต่จะทําชั่วได้แน่ถ้ามี5อย่างนี้นึ่งคือได้ที่ซ่องสุม 2. ได้ที่กําบังสพึ่งพิงผู้มีอานาจ 4. มีการปล่อยทรัพย์และ5มีการเที่ยวไปคนเดียวตั้งใจว่าจะเป็นโจรแล้วนะ แต่ยังทําความชั่วไม่ได้หรอกถ้าบอกว่ายังไม่ได้มีห้าอย่างนี้ถ้าโจรมีห้าอย่างดีว่าไปนี้นะได้ที่่องสูมเนี่ยคือมีที่กําบังล ะ, นะมีที่หลบมีรังของโจรบ้างนะจะนะมีรังของโจร น, นี่มันไปทําชั่วได้ละมีที่กําบังละคนมาหาก็ไม่เห็นมีทางเข้าทางออกลึกลับอันนี้มันจะไปทําชั่วจริงๆได้ละขโมยได้ละฆ่าได้ละหรือว่าถ้ามีใครมาตามจับ หรือว่าโจรหรือฟ้องก็มีผู้ใหญเ่เขาช่วยเหลือให้แต่มีผู้มีอิทธิพลพึ่งพิงผู้มีอำนาจได้แต่อาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทางตํารวจอัยการศาลหรือว่าผู้มีอำนาจใดๆแล้วเขาก็ช่วยจริงๆอะเกิดเหตุแล้วไม่ได้ทําตามกฎหมายอย่างนี้เป็นต้นจนพวกนี้มันจะทําความชั่วดายหรือในข้อที่4คือการปล่อยทรัพย์แต่มีเงินนี่ใช่ไหมโจรปลดมาแล้ว ก็เอาเงินนั้นแหละอุดปากคนที่เขามาฟ้องร้องกล่าวตู่จริงๆว่าจะกล่าวตูก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นการโจดเฉยๆแต่เพราะว่าเป็นโจรละมาฟ้องโจรเนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าเป็นการกล่าวตูแต่เป็นการโจดหรือในข้อที่5ก็คือเที่ยวไปคนเดียวนั่นคือเก็บความลับของตัวเองของไว้ไม่ให้แพ้่งปลายไปในคนอื่นนั่นคือไม่ได้เป็นกองโจรอะ่ะแต่เป็นโจรคนเดียวเป็นบุกเดียวอย่างนี้เป็นตน้นเปรียบเทียบตรงนี้ทั้งหมดฟัง เปรียบเทียบกับในธรรมไว้ไหย น, นี้นนเมื่อสักุเราพูดถึงมหาโจร5ประเภทนะถ้าเผื่อว่าเราอยู่ในธรรมไว้ไนนัยนี้จะเป็นกฤหัสหรือบรญปัชิีก็ตามถ้ามาศึกษาในทางคำสอนแล้วเนี่ยแล้วถ้าเป็นโจรแล้วนะมีความคิด5อย่างอย่างที่ว่าไปในตอนต้นจะสามารถทำชั่วได้แ น, น่นอนนับ ป, ะ, ปะเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้5อย่างเนี่ยว่าการได้ที่ซ่องสุมเนี่ยก็คือมีการประพฤต ทุจริตทางกายวาจาและใจในี่คือเริ่มไปทําชั่วละเช่นถ้าเผื่อว่าเล่าเรียนมาแล้วแล้วมีความคิดที่จะยกตนเนี่ยไอ้ความคิดนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิละเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องละเริ่มมีมโนโทุจริตละมันก็ทําชั่วได้ละมันก็จะมีวาจาทุจริตไปอีกแตกด้านเบียดเบียนคนอื่นด้วยวาจารหรือมีการกระทําที่ไปกําจัดผู้อื่นด้วยอาบัติปาราชิกไม่มีมูล มันก็จะเริ่มไปทําสิ่งที่ไม่ดีอย่างอื่นละอันนี้คือได้ที่ส่องสุมอันนี้สอนได้ที่กําบังแต่คว่าได้ที่กําบังเนี่ยก็คือมีทิฏฐิสุดโต่งไปข้างหนึ่งเลยในทิฏฐิสุดตรงว่าอันนี้เท่านั้นจริงอันอื่นเปล่าอย่างอื่นไม่ใช่ผิดหมดหรือมีทิฏฐิแบบเหมาไม่รู้จักแยกแยะแจกแจงให้ละเอียดทีถ้วนอันนี้คือมีทิฏฐิของตัวเองนี่แหละเป็นที่กําบังมีความสุดโต่งว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าแั่นมันก็จะ เป็นลักษณะว่าเอาที่ติตัวเนี้ยยึดตรงนี้นะครับมายึดตรงนี้ไม่ใช่พึ่งนะคือยึดเอาไว้เลยในยึดด้วยอำนาจของอุ ป, ปาทานเหมือนกับพวกโจรได้ที่กำบังนี่คือในข้อที่สองในข้อที่สานั้นมีการพึ่งพิงผู้มีอำนาจก็ลักษณะเดียวกันแต่ถ้าโจรเนี่ยทำชั่วแล้วงคนที่อยู่ในธรรมะในนี้ทำไม่ดีแล้วแล้วถ้ามีคนมาโจทย์ก็คิดว่าจะมีข้าราชการจะเป็นพระราชา หรือมหาอามันมของพระราชาะจะช่วยโต้แทนให้แต่พอเกิดเรื่องขึ้นจริงๆเนี่ยก็มีการช่วยเหลือกั น, น, นไม่ว่าจะเป็นข้าราชการระดับสูงหรือว่าสิ่งใดๆอันนี้แสดงว่าโจในธรรมะไม่ลยคนเนี้ยได้พึ่งพิงผู้มีอำนาจละโตแทนให้ละแล้วก็ทำได้จริงๆแล้เขาช่วยเหลือกันจริงๆในข้อที่4มีการปล่อยทรัพย์นี้นั่นก็คือว่าใช้เงินอุดปากใช้ทรัพย์สินสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง นะอุดปากคนที่มาโจดอย่า ง, งั้นอย่าโจดเลยนะอย่าให้มีปัญหากันไอ้คนจะโจดนั่นก็รับรัพย์นั้นซะเอาก็อุดปากได้นะหรือทาให้มีความเข้าใจเขาคลาดเคลื่อนไปแล้วก็มีซองให้อย่างเงี้ยอันนะี้คือมีการโปรยรัพย์ในข้อที่5ก็คือลักษณะการเที่ยวไปคนเดียวนะก็คือตัวเองมีความเป็นโจนอยู่ในตัวนะแล้วก็ไปอยู่ในตามชจรวปลายแดนที่เขาไม่ก็มีความรู้อะไรมาก แล้วก็ไปหลอกลวงให้เกิดทรัพย์สินกับตัวเองตั้งเป็นลทัทธิหรือความเชื่ออย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอันนี้คือลักษณะของผู้ที่เที่ยวไปคนเดียวแต่ในสมัยก่อนรัชกาลที่5เนี่ยจะมีกรบฏ ท, ที่เรียกว่ากระบฏผีบุญนั่นคือผู้ที่มีความรู้แล้วก็แอบอ้างในทางคำสอนของพุทธะเนี่ยว่าสามารถที่จะมาบรนดาลบุญได้สร้างบุญได้มาทาบุญกับฉันอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภัยของความมั่นคงในสมัยนั้น เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในภาคอีสานในสมัยที่รัชกาลที่ห้ากำลังครองราชอยู่ซึ่งตอนนั้นก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองหลายอย่างเช่นภาคอีสานนี้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นกับฝรั่งเศสหรือว่าตกเป็นของสยามพอมีกบฏผีบุญนี่ก็ต้องปราบกันเป็ลักษณะของผู้ที่เป็นโจรแอบอ้างผู้ปรึกศาสนาแล้วก็ไปในชจรนบทเที่ยวไปคนเดียวทีนี้ในมหาโจรห้าประเภทที่มีที่ซ่องสุมที่กำบัง พึงพิงผู้มีอำนาจต่างๆทําชั่วได้ด้วยเงื่อนไข5้าอย่างนี้เนี่ยเขาจะเสื่อมไปได้ยากหรือเสื่อมไปได้ง่ายมันอยู่ที่อีก8อย่างทั้มดฝังพระพุทธาตรัสไว้ข้อนี้อยู่ในพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายอยีกเหมือนกันหมวด8ข้ออันนี้พูดถึงโจรจริงๆนะโจรจริงๆเนี่ยจะอยู่ได้ไม่นานั น, นจะเป็นโจรอยู่ได้ไม่นานจะเสื่อมไปได้ถ้าบอกว่าฆ่าคนที่ไม่ฆ่า มันคือประหารคนที่ไม่ประหารเนี่ยเขาไม่ทำร้ายเราเราจะไปทำร้ายเขาหรือสองเอาสิ่งของไม่ให้เหลือเลยเอาหมดสะ 3. ลักพาสตรี 4. ประทุษร้ายกุมารีคือเด็กหญิง 5. ปล้นบรประชิต 6. ปล้นราชทรัพย์ 7. ทําทำงานใกล้ถิ่นเกินไปแล้วก็ 8. ไม่ฉลาดในการเก็บรักษาเนี่ยจนบุนีมันจะหายแตกสลายถูกทาลายไปได้ง่ายแต่ถ้าโจรฉลาดในตะบูฟัง จะเสื่อมไปได้ยากจะทำลายได้ยากถ้าเขาไม่ประหารคนที่ไม่ประหารคือไม่ทำร้ายคนที่ไม่ทำร้ายก่อนเวลาเอาของไปเนี่ยก็ให้เหลือไว้บ้างอย่าเอาหมดแล้วก้อนี้ถ้าเปรียบเทียบมาในทางโจรก่อนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยใช่ว่าถ้าหวังได้ลาบปจัจจัย4บริบาลก็อาจจะไม่ได้หวังเอาหมดเอาบางส่วนหรือถ้าเราเรียนทําแล้วยกตนก็ยกตนกับบางคนกับบางคนเราก็อ่อนน้อม อันนี้คือเอาแบบมีให้เหลือบ้างไม่เอาหมดหรือว่าถ้ามีคําสอนที่มีทิฏฐิที่แบบสุดตร ง, ตรงก็อาจจะมีทิฏฐิที่ถูกบ้างแสกแส ก, กันมาในอย่างส ม, มุติทาข้าพเจ้าเป็นโจรประเภทที่ไม่ถือเอาของจนไม่มีเหลือเนี่ยให้เหลือไปบ้างเนี่ยที่เทศสอน30มนาทีอาจจะเทศดีสัก20อีกส0นี่เป็นของอย่างอื่นเป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องอันนี้มีการสอดแทรกไส่ในก็คือแบบไม่เอาหมด เอาให้มีเหลือไว้บ้างนะคนก็จะสับสนละเอ๊ะนี่มันเอ๊ะยังไงจริงหรือไม่จริงเอ๊ะบางส่วนจริงก็มีนะบางส่วนไม่จริงก็มีก็จะอยู่ได้นานโจรแบบนี้นะไม่ลักพาสตรีไม่ลักพ า, ากุมารีไม่ปล้นบันประชิตไม่ปล้นราชทรัพย์อันนี้ก็คือแบบไม่สร้างศัตรูไปทุกที่ทุกแดนแต่มีมิตรอยู่บ้างนะ่ยมิตรอื่นๆพวกนี้ก็จะช่วยรักษาโจรเนี้ยให้อยู่ได้นานและมีการฉลาดในการเก็บมีการฉลาดในการบริหารจัดการ ทั้งทีนี้และทีไล่นะโจรนี้ก็จะตั้งอยู่ในนานท่านผู้ฟังในธรรมะวิ น, นัยนี้พระบุทธเจาได้ถ้าจะเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับให้กล้องวงจรปิดไว้แล้วแตให้เซ็นเซอร์ที่จะตรวจสอบว่ามีโจรไหมมีโจรไหมถ้าเราเจอโจรเราก็ต้องช่วยกันกําจัดออกไปนะไม่ใช่ว่ามีโจรแล้วก็ยิ่งเอาทรัพย์สินสมบัติอะไรต่างๆให้มันอย่าเป็นอย่างนั้นแต่เรารู้จักการที่จะตรวจสอบแยกแยะให้ดี ถ้ามีโจรเกิดขึ้นแล้วก็ช่วยกันกำจัดออกไปรักษาสมบัติรักษามรดกที่พระพุทธเจ้าของเรามอบเอาไว้ให้เป็นอย่างดีการกำจัดโจรนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะต้องฆ่าต้องประหารกันอย่างเดียวเท่านั้นแต่คือถ้าในทางโจรจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องฆ่าต้องประหารต้องทำร้ายแต่ที่ดีกว่าจริงๆเนี่ยก็คือว่าให้โจรนั้นเปลี่ยนทัศนคติจะเปลี่ยนทัศนคติจากที่เป็นโจรมาเป็นพลเมืองดีไม่ทำร้ายประเทศหรือว่า ทำร้ายผู้อื่นที้นัยกันในทางธรรมะวันในนี้ถ้ามีคนที่ประพฤติเป็นโจรแทนที่เราจะกำจัดให้เขาออกไปจากศาสนาหรือว่าได้ไม่ดีอันนี้มันก็จะไม่ดีแต่ถ้าให้เขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติความคิดเห็นจากที่ไม่ดีให้มาเป็นดีเนี่ยมันก็จะดีกว่าและการฆ่ากันในธรรมะวันในนี้ตั้ฟังอันนี้ก็คือหมายถึงว่าการที่ไม่ไปยุ่งด้วยไม่อบรมสั่งสอนละการไม่ยุ่งไม่อบรมสั่งสอนเนี่ย ไม่ใช่ว่าทอดทุระแต่ต้องรู้จักทําทุระให้มันดีให้มันถึงที่สุดก่อนเมื่อหมู่คณะมีความสามัคคีพร้อมปเปรียงกันจะทําด้วยวิธีข่าคือไม่ยุ่งเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าแนะนำท่านพระอานนุ์ให้ไปทํากับพระชันนะเนี่ยก็ต้องมีหมู่ภิกษุที่ดีๆเป็นจํานวนมากสามารถที่จะมีกําลังข่มขี่ในการที่ไม่ยุ่งกับพระชันนะให้เขารู้สึกถึงว่าตัวเองนั้นถูกขับออกจากหมู่อย่างเนี้ย น, นี้จะเป็นการฆ่าที่เหมาะสมได้ซึ่งก็ต้องทําหลังจากการที่ผ่านการกระทําการช่วยกัน ร, รักษาศาสนาแล้วแล้วในการกําจัดโจรนี้ตัวเราก็อย่าเป็นโจรซะเองคือถ้าเราจะต้องมายกตนเพื่อที่จะไปข่มคนที่เป็นโจรเนี่ยเราก็จะเป็นโจรประเภทที่สองซะเองความเศร้าหมองก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราเองคือถ้าเราจะทําสิ่งที่ไม่ดีด้วยเหตุผลที่ดีทําสิ่งที่ไม่ถูกด้วยเหตุผลที่ถูกเนี่ย ความสมอมันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเราก็ทำให้มันถูกและโดยการที่ตั้งอยู่ในคุณธรรมให้ดีให้ถูกต้องมีการพูดดีคิดดีทำดีแล้วก็ไม่ทิมแทงเสียสีกันไม่เพ่งโทษกันไม่ให้ร้ายกันแต่มุ่งให้เขาในการที่จะออกจากความผิดออกจากอาบัตินั้นให้ได้ความเจริญรุ่งเรืองในธรรมะในนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ประสูต์ที่นำมาให้ท่านผู้ฟังฟังในวันนี้ก็ามาจาก3ส่วนด้วยกัน เรื่องที่มาในพระวินัยปิฎกเกีย่ยวกับเรื่องมหาโจห้าประเภทเรื่องที่มาในอังคุตระนิยกายหมวด5การทําตัวเป็นโจรและหมวด8โจรที่จะตั้งอยู่ได้นานหรือไม่ได้นานถ้าเราฟังยังมีคําถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆสามารถส่งเป็นจดหมายหรือปริศนียบัตมาได้หรือถ้าต้องการฟังย้อนหลังก็ไปที่เว็บไซต์เพียวธรรมะ com p u r e d h a m m a com วันนี้เวลาหมดแล้วองานฟังข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณาพิปุญโนก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญบอน